ความรู้ของพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความรู้ชนิดเดียวที่ทำให้เรานี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในระดับใดก็ตามจะเป็นความรู้ระดับประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกก็ยังเป็นความรู้ที่เป็นแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้ได้เรียน ถึงระดับปริญญาเอกก็ยังจะไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ความรู้ของพระพุทธศาสนานี้เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้เป็นความรู้ที่ทําให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ นี่คือความแตกต่างของความรู้ของพระพุทธศาสนากับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันสามขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสุตมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นความรู้ขั้นที่หนึ่งเราต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือจากพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะได้ความรู้ของพระพุทธศาสนาเพราะนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่มีใครรู้จักความรู้ทางพระพุทธศาสนาไม่มีใครที่จะสอนเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าท่านทั้งสามนี้เป็นบุคคลที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วท่านจึงสามารถสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ การที่เราจะได้ความรู้เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากพระอริยสงสาวก็ดีเราก็จะได้ความรู้รู้วิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ อันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมยปัญญาแต่ความรู้ขั้นที่หนึ่งนี้ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าเราฟังแล้วเราอาจจะเข้าใจหรือบางทีก็ไม่เข้าใจหรือฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมได้ การฟังครั้งเดียวด้วยการฟังหลายๆาครั้งจึงเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้เพราะเราฟังแล้วเราอาจจะลืมเช่นเรามาฟังธรรมที่นี่เราจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์ของพวกเรา เกิดจากความอยากต่างๆของพวกเราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็ทุกข์ใจเราก็ไม่สบายใจถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์อยากจะไม่สบายใจเราก็ต้องอย่าไปอยาก ได้สิ่งนั้นอยากไปได้สิ่งนี้อยากไปอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเราออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากมีสิ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าความอยากนี้ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมา แเราก็ลืมไปแล้วเพราะว่าเราฟังเพียงครั้งเดียวพอเราออกจากที่นี่ไปเราก็เริ่มไปพูดคุยกันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วความอยากที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคน น, น, ค น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วพอไม่ได้ดังใจอยาก เราก็เสียใจทุกข์ใจกันทันทีดังนั้นหลังจากที่เราได้ฟังธรรมะแล้วรู้แล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองขั้นที่สองเราก็ต้องไปสร้างความรู้ขึ้นมาเป็นระดับที่สองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตามยปัญญาคืออะไร คือความรู้ที่เกิดจากการค่อยครวญพิจารณาความรู้ขั้นที่หนึ่งเราได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์เกิดจากความอยากขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปเตือนใจสอนใจไปคิดอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นอยากได้ลาบยศ ส, สรรเสนสุข พอไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจหรือพอได้มาแล้วก็อยากจะให้มีไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็เสียใจทุกใจอีกเพราะเราอยากไม่ให้เขาจากเราไปนั่นเองนี่คือความรู้ขั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญา หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำแล้วเราก็ต้องเอามาค่อยควรวญพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อให้จดให้จำไม่ให้หลงไม่ให้ลืมและให้เข้าใจอยู่ตลอดเวลาเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา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 น, นี่คือความจริงความทุกข์ของพวกเราเกิดที่ตรงนี้เกิดที่ตรงที่เราไม่เห็นความจริงอันนี้ไม่เห็นว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันต้องพัดพลากจากกันพอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายพบกับการพัาดพลากจากกัน เราก็เสียใจทุกใจกันเพราะเรายังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากกันนั่นเองอต่จะอยากหรือไม่อยากเราก็ไม่สามารถไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่สามารถไปห้ามการพัดพากจากกันได้ แต่เรามักจะลืมเราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากันแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณากันคิดกันอยู่เรื่อยๆเวลาเราเจอความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะได้ไม่ทุกข์กันหรือถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ดังนั้นความรู้ระดับที่สองนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีกําลังใจที่จะหยุดความอยากความรู้ชนิดที่สองนี้จะหยุดความอยากดับความทุกข์ได้นี้ใจต้องมีกําลังที่เรียกว่าอุเบกขามีความสงบใจที่ มิสามารถหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้ใจที่จะหยุดความรักความชังความกลัวความหลงได้นี้ต้องเป็นใจที่สงบที่เราเรียกว่าใจที่มีสมาธิดังนั้นหลังจากที่เรามีกินตาไมยปัญญาแล้วเกิดเรารู้แล้วแล้วไม่หลงไม่ลมืแล้วว่าเอาเรา S <S <an> เราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาคจากกันความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาคจากกันแต่เราก็ยังอดที่จะทุกข์อยู่ไม่ได้เวลาที่เราพบกับความแก่ความเจ็บความตา ย, าตายการพัดพลาคจากกันก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีอุเบกขาไม่มีกำลัง ที่จหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลาดพลาดจากกันได้เราจึงต้องไปปฏิบัติธรรมกันก่อนไปทําใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าเราไปฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเจริญสติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ใจก็จะหยุดความอยากได้ พอเวลาเจอความแก่ก็จะไม่อยากไม่แก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความตายก็จะไม่มีความอยากไม่ตายเวลาเจอการพัดพรากจากกันก็จะไม่มีความอยากไม่พัดพรากจากกัน เพราะใจที่สงบนี้จะเป็นใจที่เป็นกลางเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่มีความอยากต่างๆอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี้เรียกว่าภาวนาไมายปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยจิตที่มีสมถภ า, ภาวนาคือมีสมาธิ มีความสงบมีอุเบกขาตอนนี้พวกเรามีสุตตามยัปปัญญากันบางท่านก็มีจินตามยัปปัญญากันรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าต้องพัดพากจากกันแต่เวลาเจอความจริงเหล่านี้ก็ยังทำใจไม่ได้เพราะยังไม่มี สมาธิพอไม่มีสติที่จะมีกำลังหยุดความอยากของใจได้ยังทำใจไม่ได้ยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายยังอยากไม่พัดพราดจากกันจึงยังมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าไปฝึกปฏิบัติทรรมอยู่เรื่อยๆไปสร้างสติเพื่อทำใจ ให้หยุดคิดถ้าหยุดคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้ใจก็จะเน่งสงบเป็นอุบเบกขาได้ถ้าใจเน่งสงบเป็นอุบเบกขาแล้วเวลาเกิดความแก่ก็เฉยได้เวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยได้เวลาเกิดความตายก็เฉยได้ เวลาเกิดการพัดภ้าอยากกันก็จะเฉยได้จะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราสามารถควบคุมใจให้เฉยได้นั่นเองให้นิ่งให้เฉยให้สงบไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าเรามีสมาธิแล้วแล้เราเอาเราเอาปัญญาคือจินตามยบปัญญาคือความรู้ที่เราได้มา ได้พิจารณาค่อยควรอยู่เนืองๆจนไม่หลงไม่ลืมจนจดจำได้พอเราเจอความจริงเราก็จะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะเรามีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วเราก็มีความรู้ว่าเราไปอยากไม่แก่ไม่ได้อยากไม่เจ็บไม่ได้ อยากไม่ตายไม่ได้อยากไม่พัดภาคจากกันไม่ได้เพราะถ้าอยากแล้วจะทุกนั่นเองเพราะความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกอยากไม่แก่แต่มันก็ต้องแก่ก็ทุกอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทุกอยากไม่ตายแต่มันก็ต้องตายก็ต้องทุกเนี่ย แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนจำได้ว่ายังไงยังไงร่างกายนี้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างแน่นอนไะอยากก็จะทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่ทุกข์จะแก่อย่างสบายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายจะตายอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนอันนี้คือ ปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นการรวมกันของปัญญาขั้นที่สองคื อ, อจินตามย์ปัญญากับการปฏิบัติทำใจให้สงบทำใจให้มีสมถะภาวนาอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญญาขั้นที่สองก็จะกลายเป็นปัญญาขั้นที่สามไป ถ้าเรามาฝึกใจทำใจให้สงบมาบาเพ็ญสมถะภาวนาได้สมถะภาวนาก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองพอเรามีสมถะภาวนาเรามีจินตามยปัญญามันก็จะรวมกันมาเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาระดับที่สาม เป็นปัญญาที่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งนี้ยังไม่สามารถดับได้ปัญญาขั้นที่สองก็ยังไม่สามารถดับได้ถ้าใจไม่มีสมถะภาวนา ม, มาก่อนถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธิมาก่อนจะไม่สามารถใช้ปัญญา สองระดับแรกคือสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญามาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้แต่ถ้าใจมีสมาธิมาก่อนแล้วเช่นในสมัยพระพุทธการนี้มีนักบวชเขาได้ฝึกสมาธิกันมาอย่างโชคชนเขาสามารถเข้าสู่ความสงบระดับฌานต่างๆได้ สามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้แต่เขาไม่รู้เขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเขาเกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพลาดจากกันเขาก็ยังทุกข์ใจอยู่ทั้งๆ ท, ที่เขามีสมาธิที่จะสามารถหยุดความอยากที่ทำให้เขาทุกข์ใจได้ เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเขานี้เกิดจากความอยากของเขาเองความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นพอมีพระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบความจริงอันนี้ทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลดพลาดจากกันพระองค์ก็เลย สามารถหยุดความทุกข์ได้เพราะพระองค์ก็ได้ฝึกสมาธิมาก่อนมีอุเบกขามาแล้วอพอโมค้นพบความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้หยุดความอยากทํานั้นเองอความทุกข์ก็หายไปอพอพรองค์ทรงรู้แล้วว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆของใจเอง พระองค์ก็ทรงมาสอนพวกนักบวชทั้งหลายก่อนพระทรงรู้ว่าพวกนี้จะเป็นพวกที่สามารถได้รับประโยชน์ได้ทันทีพอแสดงธรรมพอแสดงความจริงให้นักบวชเหล่านี้ฟังครั้งแรกทรงแสดงให้กับพระปัญจวคีผู้เคยเป็นลูกศิษย์เคยติดตามพระพุทธเจ้าเคยเป็น ผู้คอยรับคําสั่งคําสอนจากพระพุทธเจ้า่ได้แยกทางไปในระยะหนึ่งพอหลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ความจริงที่ดับความทุกข์ใจได้แล้วพระองค์ก็คิดถึงพระปัญจวัคคีก่อนพราเห็นความสามารถของเขาที่จะสามารถ นำเอาคำสอนของพระ อ, องค์ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยเพราะพระปัญจ ա วคีทั้งห้ารูปก็มีสมาธิกันอยู่แล้วถ้าเขาได้ยินได้ฟังธรรได้ความรู้คือปัญญาว่าความทุกข์ใจของเขานั้นเกิดจากความอยากของเขาพระ อ, องค์เลยทรงพุ่งไปสอนพวกนักบวชก่อนพวกที่มีสมาธิก่อน พอแสดงทำครั้งแรกจบลงทรงแสดงพระอริยสัจสีทรงแสดงให้เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราเช่นร่างกายนี้เป็นต้นอยากให้ร่างกายที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้ร่างกายที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเราไปเรื่อย พอเกิดความอยากแล้วเวลาร่างกายมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาพอทรงสแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมสามารถดับความทุกข์ในเบื้องต้นได้ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าขจากกันได้เพราะท่านมีอุเบกขามีสมาธิอยู่แล้ว พอได้ปัญญามาได้สุตตะมยะปัญญามาก็เอามาพิจารณาทันทีแล้วก็เอามาปรับกับมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจคือความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาคจากกันได้ทันทีในขณะนั้นเลยนี่คือตัวอย่างของผู้ที่มีสมาธิแล้ว พอได้ปัญญาพอได้ฟังอริยสัจสี่พอได้รู้ว่าทุกเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้ให้มันเที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเรานั้นพอเห็นแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงก็เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นย่อมไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้อย่างไรสิ่งที่มันไม่ใช่ของเรา จะให้มันเป็นของเราได้อย่างไรพอเห็นความจริงอันนี้ก็เลยหยุดความอยากได้หยุดความอยากเพราะมีสมาธิมีอุเบกขามีสติที่จะหยุดความอยากนั่นเองก็เลยสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้อยากไม่พัดภากจากกันได้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวง เมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามีร่างกายแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดามีสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไปเป็นธรรมดาต้องมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาพอเห็นความจริงอันนี้ก็เลยรู้ว่าอยากไปก็ทุกไปเปล่า อยากไปทําไมออยากไปก็ไม่ได้สามารถทําให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงได้อยากไปแล้วก็ไม่สามารถทําให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราได้นะก็เลยหยุดความอยากความทุกข์ก็เลยหมดไปในใจความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเรื่องของวัตถุข้าวของเงินทองเช่นลาบยศสารเสริญสุขต่างๆะก็ จะหมดไปทันทีเพราะมีปัญญาระดับที่สามนี้ได้รับปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองจากพระพุทธเจ้าในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วมาบวกกับใจที่มีสมาธิมีอุเบกขาก็เลยทำให้กลายเป็นปัญญาขั้นที่สามขึ้นมาคือภาวนามายรปัญญานี่คือ ปัญญาที่พวกเราจะต้องไขว่ค้ามาให้ได้ตอนนี้เราได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งกันแล้วเพราะเรามีการฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่าเสมอการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นการตอกย้ำความเข้าใจให้ดีขึ้นตอกย้ำความจําให้มีมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าในชีวิตของเรานี่นอกจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายังต้องไปฟังเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเวลาเราไปทำงานทำการกันเราก็ต้องไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเวลาที่เราไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เราได้รับรู้จากการฟังเทศฟังธรรมมันก็จะถูกกลบไป พอเราฟังทำแล้วเดี๋ยวเราไปทํางานไปทุระไปพบปะคนนั้นคนนี้ไปทําอะไรต่างๆเราก็ต้องใช้ความคิดความคิดใหม่นี้ก็จะมากลบความคิดเก่าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังธรรมก็จะถูกกลบไปเพราะเราจะต้องไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันของเรา ถ้าเราไม่อยากให้มันถูกกลบเราก็ต้องดึงมันกลับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆต้องหมั่นพิจารณาต้องคิดอยู่เรื่อยๆต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนั่งกายมันอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของเด่ น, น้ำลมไฟ ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายตายไปมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็แยกออกไปร่างกายของคนเป็นกับคนตายจริงไม่เหมือนกันร่างกายของคนตายนี้จะเย็นไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นเพราะาธาตุไฟได้จากออกไปแล้ว ธาตุลมก็ระเหยออกมาอยู่เรื่อยๆส่งกลิ่นออกมากลิ่นของร่างกายนี้ก็คือการออกมาของธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายแล้วก็ธาตุน้ําก็จะไหลออกมาไหลออกมาจากตามทวตามทวารต่างๆทิ้งไปนานๆร่างกายก็จะแห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินกลายเป็นเศษกระดูกไป นี่คือร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นของดินน้าลมไฟเราได้ร่างกายมานี่ด้วยการเอาดินน้ำลมไฟมารวมกันมาผสมกันด้วยอาหารที่เรารับประทานอาหารที่เรารับประทานก็จะมีธาตุดินเช่นข้าวผักพวกนี้ก็มาจากดินเราปลูกข้าวในดินปลูกผักในดินพอปลูกแล้วดินก็จะกลายมาเป็นผักเป็นข้าว แล้วเราก็เอามารับประทานพร้อมกับน้ำที่เราเดืม่มพร้อมกับลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปพอเราเอาธาตุทั้งสี่มารวมกันมันก็มาแปลงกลายเป็นผมขนเล็บฟันกลายเป็นอวัยวะต่างๆขึ้นมาเนี่ยผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอด ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเนี่ยอาการต่ตางๆเหล่านี้เกิดมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเกิดมาจากน้ําที่เราดื่มเข้าไปเกิดจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดมีการปฏิกิริยามีการแปลงอาหารน้ำและลมเหล่านี้มาให้กลายเป็นอาการสามสิบสองกลายเป็นความ ร้อนขึ้นมาในร่างกายมีความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมขั้นต้นเรายังไม่รู้ว่าร่างกายเป็นอะไรเราก็มาฟังเทศฟังธรรมกันเช่นตอนนี้เรากำลังเจริญสุตมะมายปัญญากำลังรับเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจเรา ควารู้นี้เราสามารถศึกษาได้จากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนไว้แล้วมีการจดบันทึกเอาไว้ตอนต้นก็ใช้การจดการจำต่อมาก็เอามาจดบันทึกลงเป็นในหนังสือเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมาพระไตรปิฎกก็คือที่รวมของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ประมาณแปดมืนสี่บทด้วยกัน ปดหมื่นสี่พบทด้วยกันเรียกว่าพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะได้ปัญญาความรู้เราต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกเพราะว่าตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราแล้วก็เหลืออยู่อีกสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีจดบันทึกไว้เรียกว่าพระไตรปิฎกแล้วก็ไปศึกษาพระสูตร ประศูนย์ก็คือบทต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงได้สอนผู้คนไว้ต่างๆแบ่งเป็นประศูนย์สูตรหนึ่งและการแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็เรียกว่าสูตรหนึ่งเช่นทำการแสดงธรรมขั้นแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์นี้เราก็เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนาสูตรเเป็นเป็นการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง หนึ่งครั้งก็เรียกว่าหนึ่งสูตรแล้วก็มีการจดจำมาแล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือขึ้นมาให้พวกเราได้ศึกษาได้อ่านกันอันนี้เรียกว่าสุตตมายาปัญญาถ้าเราไม่มีเวลาได้ศึกษาได้อ่านเราก็มาฟังจากภาพสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ศึกษาได้อ่านได้จดได้จำแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราอีกที่หนึ่ง พระสองฆ์องค์เจ้านี้ก็ไม่ได้เป็นเอาความรู้ของตนเองความรู้ที่เอามาก็เอามาจากพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นผู้เอามาถ่ายทอดให้ผู้ที่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาได้อ่านก็ามาฟังแทนะสมัยนี้อย่างนี้มีการศึกษากันสมัยก่อนนี้ไม่มีการศึกษาคนส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือไม่ออก ก็เลยต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆแต่แสมัยนี้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทุกคนอ่านได้อ่านหนังสือได้ก็สามารถศึกษาโดยตรงได้จากพระไตรปิฎกเลยสมัยนี้พระไตรปิฎกก็มีการบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้ว ถ้าใครอยากจะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถเขียนชื่อของบทที่เราต้องการจะศึกษาเข้าไปใน Google ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้อ่านทันทีทันใดเลยเช่นถ้าอยากจะอ่านธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นครั้งแรก mm. ก็เพียงแต่ใส่คำว่าธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเข้าไปเท่านั้น พระสูตรก็จะโผล่ขึ้นมาในหน้าจอให้เราอ่านได้ทันทีเลยเราสามารถที่จะมีสุตะมายปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยที่ไม่มีสื่อต่างๆการจะได้ยินได้ฟังทำแต่ละครั้งนี้ต้องรอให้เป็นวันหยุดการทางานที่เราเรียกว่าวันพระอย่างวันนี้สมัยก่อนนี้ญาติโยมชาวพุทธนี้จะหยุดทำงานในวันพระกัน เพื่อจะได้ไปวัดเพื่อจะได้ไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเจริญสุตตะมัยะปัญญาไปรับปัญญาขั้นที่หนึ่งคือรับปัญญาจากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็อาศัยพระธรรมคําสอนหรืออาศัยพระอริยสง์สาวก ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเอาได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาอธิบายให้พวกเราฟังกันอีกครั้งอีกต่อนหนึ่ง <Okay. S 1> ขั้นตอนเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญสุตตะมยปัญญาเป็นการสร้างปัญญา ที่เกิดจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนก็ดีหรือพระอริยสงสาวก็ดีถ้าเราอยากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องเราต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าเราไปศึกษาจากแหล่งอื่นนี้เราจะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องจะไม่สามารถดับความทุกข์ได้เช่นถ้าเราไปศึกษาตาม มหาวิทยาลัยต่างๆเราก็จะไม่ได้ความรู้คือพระอริยสัจสี่เพราะในมหาวิทยาลัยต่างๆนี้จะไม่มีการสอนพระอริยสัจสี่จะไม่มีการสอนอตใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีอยู่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราจึงต้องมาเจริญสุตตมยัปปัญญาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วพอเราได้เจริญได้รับยินได้ฟังได้เรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราต้องมารักษาความรู้ที่เราได้นับมาไม่ให้มันจางหายไปเราก็ต้องมาทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราทบทวนอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ลืมแต่เราก็ยังอาจจะไม่สามารถทําใจ ดับความทุกข์ได้เวลาที่เรายังต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะใจเรายังมีความอยากอยู่และเรายังไม่มีกําลังที่จะห้ามความอยากเหล่านี้ได้ถ้าเรายังไม่ได้ไปถ้าเรายังไม่มีสมาธิถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่เป็นยังทําใจให้สงบไม่ได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาไม่ได้เพอเวลาเรา เกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันไม่ได้พอเราหยุดความอยากไม่ได้ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเอดังนั้นหลังจากที่เราได้ฟังแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องเอามาทบทวนเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมและจะได้ความกระจา่างความเข้าใจดีขึ้นว่าอะไรไม่เที่ยงเอ อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรถ้าเรามาหมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ลืมไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเป็นของเราชั่วขณะที่มันยังอยู่กับเราอยู่แต่พอถึงเวลามันจะไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของบางอย่างอยู่กับเราได้สักพักหนึ่งก็ต้องจากเราไป เช่นเงินทองได้มาสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ใช้ไปหมดแล้ะมันก็กลายเป็นของคนอื่นไปละเราไม่มีเงินเหลือใช้แล้วเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้มีเงินทองอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเรายอมอยู่แบบไม่มีเงินทองให้ได้หัดอยู่แบบไม่ใช้เงินใช้ทองให้ได้ เวลาไม่มีเงินทองเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากให้เงินทองมันเที่ยงมันมีก็ใช้มันไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันนถ้าเราทําใจได้หยุดความอยากที่จะใช้เงินได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียเงินทองไปเช่นเดียวกับยศถาบรรดาศักดิ์ความสรรเสริญเยินยอหรือความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกล็่นสดต่างๆ มันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปถ้าเราหัดอยู่แบบที่ไม่ต้องมีลาบยศสารเสรินไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจะเบิกลิ้นกายได้เราก็จะไม่ทุกข์การที่เราจะอยู่ได้นี้เราต้องมีจิตที่สงบนั่นเองเราต้องไปฝึกทำสมาธิให้ได้เพราะถ้าเราทาใจให้สงบได้แล้วเราจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่จะทำให้เราอยู่โดยที่ไม่มีราบยศสรรเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมกูกรินกายได้เมื่อเราไม่ต้องมีความสุขเหล่านี้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราสามารถหาความสุขได้จากการทำใจให้สงบทาใจให้มีสมาธิ แล้วใจจะมีความสุขมากเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากลาบยศสารเสญจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆถ้าให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้คนที่ได้ความสงบจึงสามารถสละความสุขจากเงินทองร้อยล้านพันล้านได้ ท่านพระพุทธเจ้านี่ทรงสละราชสมบัติได้เพราะพระองค์สามารถสร้างความสงบให้กับใจได้พอมีความสงบแล้วพระองค์ก็ไม่เคยกลับไปหาความสุขในพระราชวังอีกต่อไปแล้วความสงบนี้นอกจากให้ความสุขแล้วยังสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากได้ลาบยศสระเสริมสุขได้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ จึงทําให้ใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับอะไรเลยเอ<ม>ไม่ทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไป<ม>นี่คือเรื่องของการสร้างกําลังใจขึ้นมามเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้มา กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราตอนนี้สิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือความสงบนี้เองขาดสมาธิขาดอุเบกขายังควบคุมความอยากยังห้ามความอยากไม่ได้เรามีเรามีปัญญากันคือเรามีสุตรมยปัญญากันบางท่านก็อาจจะมีจินตามยปัญญา บางท่านก็มีเพียงแต่สูตรมีแบบชั่วครั้งชั่วคราวมีในขณะที่ได้ยินได้ฟังธรรมพอเลิกฟังธรรมก็ลืมไปหรือบางทีก็นึกขึ้นมาได้ไปบางทีก็ลืมไปจึงไม่สามารถใช้ปัญญานี้มาหยุดความอยากต่างๆได้อย่างถาวอนถ้าเวลาไหนจําได้ก็อาจจะหยุดได้ชั่วครั้งชั่วคราวหยุดแบบ ไม่ใช่หยุดแบบถาวรหยุดแบบชั่วครั้งชั่วคราวพอรู้ว่าตอนนี้ทุกใจเพราะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเปลี่ยนใจหยุดความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหมอ่อีกตราบใดถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่มีความสุขนี้ความอยากมันจะไม่หมดไปแต่ถ้าเวลาใจมีความสงบแล้ว ความอยากมันจะหยุดไปเพราะความสงบนี้เป็นตัวที่จะหยุดความอยากแล้วเป็นตัวที่จะทำให้ใจมีความสุขเมื่อมีความสุขก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยิ่งถ้ามีปัญญาคอยสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆมาเพราะสิ่งต่างๆที่ได้มานี้จะทาให้เราทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่เรา อยากได้มานี้มันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเราต้องจากกันจากเป็นด้วยจากตายเวลาจากกันก็เกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเรามีอุเบกขามีสมาธิมีความสงบ พอเรารู้ว่าความอยากนี้ทำให้เราทุกข์เราก็จะหยุดความอยากได้เราจะได้ไม่ต้องไปหาความทุกข์มาไม่ไปหาสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ไปหาสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียจะต้องพัดภาคจากเราไปต่อไปเราก็จะเลิกความอยากได้ทุกชนิดเห็นอะไรพอใจอยากจะได้ปัญญาก็จะมาบอกว่า ได้มาแล้วจะต้องทุกข์นะเพราะสิ่งที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ทำให้เราทุกขนะ์แล้วถ้าเราอยากได้ใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถได้ตามที่เราอยากเราก็จะทุกข์อีกนะแต่ถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะไม่ทุกขนะ์เราจะอยู่กับความสงบได้เราจะเกิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเรายังขาดกันก็คือกําลังใจกําลังที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่เรียกว่าความสงบหรืออุเบกขาสมาธิอันนี้เราต้องมาเจริญกันให้ได้การจะเจริญได้เราก็ต้องมีสติ สตินี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจสงบได้ใจนิ่งได้ใจใจจะนิ่งใจจะสงบได้ใจต้องหยุดคิดให้ได้ถ้าคิดแล้วมันยังจะไม่สงบมันถ้าหยุดคิดแล้วมันจะสงบละสิ่งที่จะหยุดคิดได้ก็คือสติวิธีที่จะสร้างสติเพื่อให้หยุดคิดได้ก็มีหลายวิธีด้วยกันเราเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานก็คือสิ่งที่จะทําให้ใจเราสงบได้กรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบชนิดที่เราเรียนรู้กันอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่สองชนิดสองสามชนิดด้วยกันคือหนึ่งพุทธานุสติคือการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออก เ, อเราก็เรียกว่าอานาปณะสติอานาปาณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการละเลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกเวลาเรานั่งสมาธิเราจึงมักนั่งดูลมกันดูลมถ้าเราตั้งใจดูลมจดจ่ออยู่กับอยู่กับการดูลมเพียงอย่างเดียว เราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราไปคิดก็สแสดงว่าเราไม่ได้ดูลมแล้วนี่คือวิธีที่จะสังเกตเวลาเรานั่งสมาธิแล้วทําไมเราไม่สงบ ก, ก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูลมอย่างต่อเนื่องเราดูลมได้ปั๊บเดียวเดี๋ยวก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมารู้สึกตัวเราก็ต้องดึงมันกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่ยั้นเวลาการเริ่ม การนั่งสมาธิแรกๆนี้จะไม่สงบกันเพราะเราไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับการดูลมได้อย่างต่อเนื่องเพราะกําลังของสติเรามีน้อยมากดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินั่งดูลมได้เราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนที่เรามานั่งซึ่งเราสามารถทําได้ทั้งวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเลย พอเราตื่นขึ้นมาเราก็มาควบคุมความคิดกันเลยอยากคิดนคิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นเช่นพอตื่นขึ้ น, นมาลืมตาก็คิดว่าจะทําอะไรต่อไปอก็ต้องลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ําไปล้างหน้าแปรงฟันไปอาบน้ําำก็คิดเท่านี้ก็พอแล้วพอลุกขึ้นมาพอเดินก็เฝ้าดูร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอะไร ให้เฝ้าดูร่างกายไปว่าตอนนี้ร่างกายกําลังเดินไปเข้าห้องน้ํากําลังไปล้างหน้าไปแปลงควันไปอาบน้ําก็ให้มันเฝ้าอยู่กับการทํางานของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติเป็นการห้ามเป็นการหยุดความคิดปรุงต่างๆถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดเราก็สามารถใช้การเจริญพุทธานุสติ การใช้สติด้วยการเราเลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวหยุดความคิดต่อมาช่วยอีกขั้นหนึ่งก็ได้คือให้เราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไประหว่างที่เราไปอาบน้ำล้างหน้าแปงควันไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปรับประทานอาหารไปทำกิจกรรมทางร่างกายของเราเราก็ใช้พุโทโธกำกับอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดได้ให้มันอยู่กับเรื่องของการทํางานการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายได้ก็แสดงว่าเรามีสตินพอเรามีเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาะถ้าเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าใจเราไม่ไปคิดเราดูลมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจเราก็จะหยุดคิดอย่างเต็มที่ หยุดคิดโดยไม่ต้องบังคับมันเพราะมันหยุดคิดแล้วมันจะนิ่งแล้วตอนนั้นเราไม่ต้องคอยควบคุมความคิดไม่ต้องคอยดูลมหายใจเข้าออกอีกต่อไปใจมันสงบใจมันนิ่งของมันเองมันไม่คิดมันไม่ปรุงมันไม่แต่งเหมือนรถที่เราเหยียบเบรกกรทั่งมันจอดนิ่งแล้วพอจอดนิ่งแล้วเราก็ถอดเบรกได้รถไม่ไหลไปไหนแล้วใจเราเราใช้สติคอยหยุดมัน พอมันหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สติเราก็รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ใจสงบแล้วใจนิ่งแล้วใจเป็นอุเบกขาแล้วใจสบายแล้วใจมีความสุขแล้วใจไม่วุ่นวายไม่ไปเดือนไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆแล้วอันนี้เราก็จะได้สมาธิตอนนั้นใจก็ไม่มีความอยากต่าง ไม่มีความอยากได้หรือไม่มีความอยากเสียไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นเฉยๆมีความสุขไม่ต้องการอะไรพอเราได้สมาธิแบบได้ได้ได้จิตที่สงบอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาอย่าเพิ่งไปทำอะไรนั่งไปนานๆ น, นั่งให้มันสงบไปนานๆให้มันมีความนิ่งไปนานๆเพราะเมื่อเรามีความนิ่งมากมา เวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่เรามาคิดมาทำอะไรนี่เรายังสามารถเอาความนิ่งนี้มาหยุดความอยากต่างๆได้เวลามีความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันได้แล้วยิ่งถ้าเรามีปัญญาเห็นโทษของความอยากเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ไม่ไปทำดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่า เหมือนกับแกว่งเท้าไปหาเสี้ยนอย่าไปแกว่งแกว่งไปแล้วเจ็บตัวเปล่าๆอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปอยากได้อะไรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้มาถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปกับเขาเนี่นี่คือปัญญาคืต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เรา uk, ทุกข์ทให้เราวุ่นวายใจ เพราะเราอยากจะให้มันเที่ยมอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นของเราไปเรื่อยๆวันดีกืนดีมันก็จะต้องจากเราไปนี่คือปัญญาหลังจากถ้าเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากทุกข์แล้วจะอยากเราจะทุกข์แล้วสิ่งที่อยากได้มาก็จะทำให้เราทุกข์อีก เพราะเราอยากจะให้สิ่งที่เราได้มาอยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการเสื่อมแล้วก็มีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นข้าวของเงินทองหรืออะไรก็ตามมันต้อง ไปสู่ความเสื่อมสู่การพัดพากจากกันในที่สุดเนี่ยถ้าเรามีสมาธิแล้วแล้วเรามีปัญญาที่เราได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้ภาวนามยปัญญาได้ปัญญาระดับที่สามปัญญาที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้เพราะปัญญานี้จะสามารถหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เราจะไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นเราจะยอมรับกับความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขมีความพออยู่ในใจของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่มีในโลกที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถ บังคับให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดโดยธรรมดาแล้วเวลาเราได้อะไรมาเรามักมอยากจะให้มันดีเสมออยากให้มันให้ความสุขกับเราเสมออยากให้มันเป็นของเราอยู่ไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงจากดีมันก็กลายเป็นเสียไปลืมไม่เสียก็ศูนย์ไป จากการที่จะเป็นของเราก็กลายเป็นของคนอื่นไปจากเราไปเพอมันจากเราไปเราก็ทุกข์ใจกันเพราะเราไม่อยากให้มันจากเราไปนี่คือปัญญาต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเราอยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองของเราเพราะเขาเห็นว่าเขาสวยเขางาม เราก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังของเขาเพื่อเราจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาเห็นโครงกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นไตเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้เป็นต้นถ้าเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทำให้เราไม่มีความอยาก ดับความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนได้นี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องเอามาใช้ควบคู่กับสมาธิถ้าใช้ปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็จะหยุดความอยากไม่ได้เพราะว่าความอยากมันมีกําลังมากกว่าถ้าถ้าเรามีปัญญาแล้วเรายังหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันมาฝึกสติกัน มาสร้างสติกันในยการควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเท่าที่จำเป็นคิดกับเรื่องที่เราต้องคิดเท่านั้นถ้าไม่มีความเจ็นเป็นจะคิดก็ให้ใช้พุทโธพุทโธหยุดมันหรือควบคุมบางครับให้มันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายแล้วใจจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้แล้วพอเวลาว่างก็ไปนั่งหาความนั่งนั่งทใจให้สงบกัน ทำใจให้สงบบ่อยๆทําใจให้สงบมากๆแล้วจะมีกําลังหยุดความอยากได้มากขึ้นไปตามลาดับแล้วก็เอามาออกจากสมาธิมาก็ามาทบทวนปัญญาที่เราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายของคนเราที่น่ารักน่าดูก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเพื่อจะทําให้เรา ไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆให้เราอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับใจที่ไม่มีความอยากจะดีกว่าใจที่มีความสงบเนื้นงจะเป็นใจที่ไม่มีความอยากแต่จะเป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะเราไม่มีอะไรเรต้องทุกข์ ว่าเราสามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องมีราบยศสละเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกร่นกายได้เพราะเรามีความสงบเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบและเรารู้ว่าเรามีปัญญาที่เราเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้เพียงตลอดเวลานอกจากความสงบนี้เท่านั้น ยิสิอย่างอื่นนั้นให้ความสุขเราเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็จะให้ความทุกข์กับเราเพราะเรามีปัญญาแล้วเราก็จะตัดความอยากต่างๆไปได้หมดพอมีสมาธิสนับสนุนความอยากก็จะหมดไปจากใจของเราเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของปัญญาของทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สามขั้น อยู่สามระดับด้วยกันขั้นแรกก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้จากผู้อื่นจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความรู้ขั้นที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญาคือการเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้มามาทบทวนมาพิจารณามาศึกษาอยู่เนืองๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็เอามาร่วมกับการภาวนาทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่เราไม่หลงไม่ลืมนี้มาใช้หยุดความอยากต่างๆได้ก็จะเป็นความรู้ระดับที่สามคือเรียกว่าจินตามยปัญญาความรู้ที่ไม่หลงไม่ลืมและความรู้ที่มีพลังมีความมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นี่คือความรู้ที่เราต้องก้าวไปให้ถึงให้ได้คือขั้นที่สามขั้นภาวนามยปัญญา ถ้าเรามีภาวนามยตปัญญาแนละ้วเราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราไปได้หมดเลยแล้วเราก็จะหยุดการไปเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาสร้างปัญญาสร้างความรู้ของ ทางทางพระพุทธศาสนากันก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องของปัญญานี้ไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริกุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังคิดว่าเมวะสมิชฉาตุสัพเหปเรินตุสังกปาจันโทปันาหราสุยะถามานิโชติ อระโสยะธาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจังุทธาปจายโนยตาโรธรมาวาทานเตอายุวโนสุขัง ล อ, อลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหรือถ้าไม่อยากจะถามจะเขียนเป็นข้อความเข้ามาก็ได้แต่ขอความกรุณาว่าหลังจากที่เลือกแล้วก็จะงดตอบคถามตอบคำถามเพราะว่า มันไม่มีเวลาต้องไปทำอย่างอื่นต่อตอนนี้ใครอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันวันนี้ทาง Facebook YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยสี่สิบเข้ามาหนึ่งคนผู้ติดตามทางไลน์เพิ่มเป็น 5,411 อสิบคนแล้วก็อิน t a g r กรมสี่คนครับผม อน่นี้พี่บอยไม่ได้มาเลยฝปกงเทพเลยจัดตั้งระบบก็ได้เองเลยสองคนเลยถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยเปิดกันคาถามจากบนเขานะคะเมื่อร่วมงานกับคนพานได้ใช้พรมวิหารสีเข้าช่วย แต่เขายังคงร้าดานด้วยกายกรรมวจีกรรมกายกรรมด้วยการตบไหล่เราเดินชนไหล่เราวจีกรรมด้วยการพูดใจ ย, ยียวนกวนประสาททำให้เราโมโหรเราวางเฉยแต่เขายิ่งเหลือ ง, งทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงแบบนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรดีคะก็ถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีก อย่าไ ป, ปเผชิญหน้ากันถ้าจำเป็นจะต้องเผชิญกันก็ใช้สติกากับใจพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าไปตอบโต้อย่าไปมีปฏิกิริยา<ม>ให้คิดว่าเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ด่าเราเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็ดีแล้ ว, วเขายังไม่ข่าเรา เท้าข้าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวณหมดกรรมกันก็เราเกิดมาแล้วมันก็ต้องมาชดใช้กรรมใช้เวนกันในอดีตเราอาจจะเคยไปมีอะไรไหมมีอะไรกับเขามาก็ได้เขาถึงต้องมาทำอะไรกับเราหรือว่าอาจจะเป็นเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้เขาจะละลานเขาจะแก้งะลรงแกคนไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครเราไปห้ามเขาไม่ได้ าคิดว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็าเร็วเขาคง mm. จะไปเจอของแข็งเขาเจอก็ดูเข้าทั้งวันหนึ่งอาจจะถูกทิ่มแทงอาจจะถูกยิงตายไปก็ได้ะแต่เราไม่ต้องไปทําอะไรเราพยายามเฉยๆไว้แล้วอย่าไปตอกโต้เพราะจะเป็นการสร้างเวรกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกจะทําให้เขาละรานเรายิงมากขึ้นไปอีกเอย่างตอนนี้ถ้าเราหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีอยู่ห่างๆกัน แต่ถ้าต้องมีการจำเป็นจะต้องเผชิญ ก, กันก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไบภายในใจท่องคาถาแพร่เป็นพระชนะเป็นมารแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนใจคำถามต่อไปจากบนข่าวนะคะอยากให้พระอาจารย์แนะนำเรื่องลูกกระตันยูว่าต้องทำอย่างไรคะ ก็คือความกตัญญูแปลว่าความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณเช่นบบดามารดานี่เราต้องมันล้ำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆว่าท่านให้กําเนิดกับเราท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเราจนโตแล้วยังต้องส่งไปเรียนหนังสือต้องอะไรอีกมากมายกายกองบุญคุณของท่านนี่ล้นฟ้า ถ้าเราไม่คิดเราจะลืมบุญคุณได้แล้วเราจะไม่เห็นความสําคัญไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่แล้วจะทําให้เราไม่มีความกระตันอยู่ไม่มีการกระตลเวทีคือการทดแทนบุญคุณนี่ธรรมเนียมของชาวพุทธเราท่านจะให้เรากลาบพระก่อนนอนหลังจากตื่นนอนทุกวันและนอกจากกลาวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้กลาบพ่อกลาบแม่ด้วย การกราบนี้ก็ไม่ใช่เป็นกราบแบบกิริยากราบแล้วใจเราต้องน้อมนึกถึงบุญคุณนึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงบุญคุณของพระธรรมคําสอนนึกถึงบุญคุณของพระอริยสงสาวกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยถ้าเราทํางนี้ทุกวันเราก็จะไม่ลืมพระคุณของท่านแล้วเราจะทําให้เรานี่อยากจะทดแทนบุญคุณเวลาเราสามารถทําอะไร ให้ท่านได้เราก็อยากจะทำให้ท่านออการตอบแทนบุญคุณนี่ก็มีหลายวิธีด้วยกันออถ้าเรายังอยู่ภายใต้การอบค์วาดของท่านเราก็ต้องเชื่อฟังท่านสั่งท่านสอนให้เราทำอะไรเราก็ควรที่จะทำถ้าสิ่งที่ท่านสอนไม่ผิดไม่เป็นบาปออก็ควรจะทำตามเพราะท่านมีเจตนาดีอยากจะให้เราเป็นคนดี การตอบแทนบุญคุณก็คือทำให้ท่านมีความสุขด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของท่านหรือว่าท่านท่านสั่งสอนแล้วมันไม่ถูกเราก็อย่าไปเถียงเราไม่มีหน้าที่เถียงพ่อเถียงแม่เรามีหน้าที่ฟังอย่างเดียวแล้วส่วนเราจะไปทำตามหรือไม่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เราสามารถที่จะเป็นสมวนเป็นสิทธิ์ของเราได้ ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่ท่านบอกไม่ถูกเราก็ไม่ต้องทําก็ได้ น, นี่คือวิธีหนึ่งคือเคารพท่านเชิดชูยกย่องท่านเชื่อฟังท่านแล้วถ้าท่านแก่ชราไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือ ว, ว่าเดือดร้อนอะไรเราก็ต้องดูแลท่านไปทดแทนบุญคุณกันไปแล้วเวลาท่านตายไปก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านไป นี่คือความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเป็นต้นค่ะคำถามต่อไปจากคนเขานะคะขอพระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับผู้รู้และผู้คิดผู้เห็นความคิดถ้าเราเห็นผู้เห็นความคิดจากนั้นควรทําอย่างไรต่อไปคะก็ควรหยุดคิดคือใจเรานี่มีสามส่วนในการมีผู้รู้ผู้คิดแล้วก็ผู้เห็น ผู้เห็นก็คือสติถ้าเรามีสติมองเข้าไปที่ใจเราก็จะเห็นว่าใจเรานี่คิดอยู่ตลอดเวลาใจเราความคิดของเรานี้ส่วนใหญ่มันไม่ดีมันคิดไปทําให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเราต้องฝึกหัดหยุดความคิดให้ได้เช่นให้เราจเจริญสติให้มากขึ้นถ้าเห็นเราหยุดไม่ได้ ถ้ารู้ว่าคิดเราหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรามีน้อยเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยคาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราพุทโธพุทโธได้เวลาเราคิดอะไรไม่ดีเราก็ใช้พุทโธหยุดมันได้เวลาโลภก็พุทโธหยุดมันได้เวลาโกรธก็พุทโธหยุดมันได้เวลากลัวก็พุทโธหยุดมันได้นี่คือวิธีที่เราจะใช้สติให้เกิดประโยชน์ หยุดความคิดให้ได้หยุดความคิดได้แล้วก็หยุดความโลภความโกรธความหลงได้แล้วจะทำให้ใจเรามีความสงบมีความสุขขึ้นมาคำถามต่อไปจากบนเขากับเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะสีมีอยู่5ข้อถ้าในขณะนั้นไม่สามารถรักษาสีลข้อที่สีได้คือข้อมูสาเหลือเพียงรักษาสีลได้แค่4ี่ข้อได้ไหมคะ แล้วจะเป็นบาปไหมคะถ้าไม่ครบห้าข้อไม่ได้ทำผิดศีลข้อมุสาอยู่ตลอดเวลาก็ศีลนี่จะอยู่ที่ว่าเราทำผิดมากทำผิดน้อยทำผิดมากมันก็มีโทษมากทำผิดน้อยก็มีโทษน้อยถ้าเรารักษาศีลได้สี่ข้อเราก็ได้เราก็ได้ไม่ครบร้อยได้ปสิบ ถ้าทำทำข้อสอบก็ได้แปดสิบเปอร์ซนเสียขาดอีกยี่สอร์ซนก็อยู่ที่เราว่าเราจะพยายามหรือไม่พยายามถ้าเราพยายามมันก็รักษาได้เพราะว่าการรักษาศีลมันง่ายกว่าการทำผิดศีลการต้องพูดปดกับการไม่พูดนี้อันไหนจะง่ายกว่ากาันหุบ ป, ปากแล้วไม่พูดอะไรมันก็ไม่ผิดศีลละดังนั้นถ้า ที่เราพูดเราผิดศีลเพราะอย่งเราอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการรักษาศีลเรายังเห็นว่ามีสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าเราจึงยอมผิดศีลยอมโกหกเพื่อเราจะได้รักษาสิ่งอื่นแต่เราไม่รู้ว่าโทษของการทํำบาสนี้มันจะพาให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราพูดปดบ่อยๆเราจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นคนไม่มีเครดิตเนี พระพุทธเจ้าเคยสอนพระลาหุนตอนที่บวชเป็นสัมมเนนสอนเรื่องสัจจะความมีศีลมีสัตว่าสําคัญมากคนเราจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่การมีศีลมีสัตว์หรือไม่ท่านทรงยกตัวอย่างท่านตัดน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุนทุกครั้งที่เธอพูดคําปดพูดโกหกนี่ก็เหมือนเทน้ําออกจากขันไปทีลนิดเท่หน่อย ถ้าโกหกบ่อยๆต่อไปน้ำในขันนี่ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่น้ำนี่ก็เปียบเหมือนกับความดีงามในใจเราความสวยงามของใจเราความน่าเชื่อถือของเรามันจะหมดไปถ้าเราพูดโกหกอยู่เรื่อยๆต่อไปจะไม่มีใครเขาเชื่อถือเราจะไม่มีใครเขาจะคบค้าสมาคมกับเราคาถามต่อไปจากคนเขาค่ะผมเป็นนักศึกษา มีความตั้งใจที่จะบวช3เดือนในเวลาปิดเทอมกลางปีหน้าถ้าถึงเวลานั้นแล้วขอโอกาสมาศึกษาการปฏิบัติกับหลวงพ่อสุชาติได้ไหมครับผมต้องการคำชี้แนะการปฏิบัติจากโครูบาอาจารย์กรรมฐานก็สามารถศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้เพราะเรามีการถ่ายทอดสดอยู่ทุกวันนะแล้วสามารถส่งคาถามเข้ามาถามได้เวลาที่ไม่เกิดความเข้าใจ อะไรอันนี้ก็เป็นวิธีศึกษาได้หนังสือก็มีให้อ่านซีดีก็มีให้ฟังอยู่แล้วไม่จาเป็นที่จะต้องมาศึกษาต่อหน้ากันคุยกันแต่ถ้าอยากจะมาอยู่วัดก็มาได้แต่ต้องผ่านขั้นตอนคือต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสของวัดเขาก่อนว่าจะมาขออยู่วัดเขาจะรับหรือไม่ถ้าเขารับแล้วก็อยู่ได้ ยได้แล้วก็จะมาฟังเทศฟังธรรมมาถามคำถามอะไรต่างๆเวลามีคำถามก็มาถามได้พอ yeah. <Okay. S 1> แล้วละคำถามทางบ้านก็ไม่มีแล้วไ mm hmm. อ้วันนี้น้อยหนึ่งกันหายไปไหนกันหมดไปเที่ยวกันหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวกำลัง mm hmm. กาลังพิมพ์กันเข้ามาอยู่ mm hmm. ที่วันนี้เป็นวัด ที่มีแบ่งเป็นสองส่วนบนที่อยู่ข้างล่างเป็นวัดหลักส่วนข้างบนนี้เป็นเป็นเหมือนสาขาเป็นที่อยู่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมพระที่บวชแล้วอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะฝึกนั่งสมาธิอยากจ ะ, จะเจริญปัญญามักจกมาอยู่บนเขากันเพราะเป็นที่สงบที่เหมาะกับการจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา ถ้าอยู่ข้างล่างก็จะค่อนข้างพกุกพลานมีรถลาวิ่งผ่านไปก็จะสำหรับพระที่ยังไม่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต้องการเพียงแต่ศึกษาออก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาขึ้นอยู่บนเขาถ้าจะศึกษาอยู่ข้างล่างศึกษาอ่านหนังสือไปฟังเทศฟังธรรมไปหรือถ้าจะปฏิบัติก็แบบลงโบสถ์เช้าเย็น หลวงโบสถ์ไวพระสวดมลตหัดนั่งซ้ำสมาธิไปก็มีเป็นสองส่วนแต่เป็นวัดเดียวกันแล้วก็มีเจ้าอาวาสคนเดียวตอนเราไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเราเป็นเพียงแต่ผู้ดูแลบุญเขานี้ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านอยู่ข้างล่างถ้าใครต้องการติดต่อธุระกับทางวัดก็ต้องไปติดต่อกับทางเจ้าอาวาส แต่ถ้าใครต้องการขึ้นจะมาอยู่บนเขาก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้แต่ติดต่อกับเราแล้วบางทีอาจจะต้องไปขออนุญาตจากทางเจ้าวาดอีกต่อหนึ่งมีคำถามจากทางบ้านค่ะจาก YouTube การวางเฉยต่อปัญหาถือเป็นอุเบกขาหรือการหนีปัญหาคะก็อยู่ที่ว่า การอยู่วางเฉยมันจะเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษมากกว่ากันกับการไม่วางเฉยถ้าวางเฉยแล้วมันทำให้ไม่มีความเสียหายตามมาก็วางเฉยดีกว่าดีกว่าการไปตอบโต้กันตอบโต้แล้วทำให้เกิดความเสียหายเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ไม่คุ้มค่าการวางเฉยนี่ไม่ได้เป็นการหนีปัญหา อาจจะเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีที่ดีที่สุดต่อปัญหานี้ก็คือการวางเฉยก็ควรวางเฉยคำถามจากคุณนัทนศักดิ์เวลานั่งสมาธิพอจิตเริ่มสงบก็จะเคริมทุกทีมีอุบายแก้อย่างไรครับก็ต้องไปนั่งที่มันน่ากลัวดูไปนั่งในป่าช้าดูแล้วมันจะไม่เคลิม ถ้าที่ไหนมันน่ากลัวแล้วมันจะมีความตื่นตัวหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องลองหัดอดอาหารดูรับประทานอาหารให้น้อยๆแล้วมันจะไม่ง่วงถ้ารับประทานอาหารอิ่มแล้วไปนั่งสมาธินี่มันจะหลับทันทีคําถามจากคุณเกตขอคําชี้แนะค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วจิตมีอาการวูบหน้าทิมเหมือนตกจากที่สูงทั้งที่ไม่ได้หลับ แสดงว่ากำลังสติยังไม่พอใช่หรือไม่คะมันก็มีวูบอย่างสองสองอย่างวูบแบบกําลังจะหมดสติกําลังจะสัประงบคอพับอย่างนี้ก็วูบแล้งูบแบบมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาก็งูบวูบแบบมันจะสงบจิตตกหนุมตกบอ่อตกเหวแล้วก็นิ่งแต่สตินี้มีอยู่เต็มร้อยรู้สึกตัวตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตรวมเข้าสู่ความสงบ แต่วูบแบบจะหลับ น, นั่นก็เป็นวูบแบบสติหมดพอดีคำถามจากคุณนพลอาการเจ็บตามร่างกายทำให้นั่งสมาธิยากมากเลยครับจะทำให้สงบยากมากจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องฝึกสติให้มีกำลังมากขึ้นเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายก็ถ้ามีสติก็ดึงใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไว ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธแล้วใจจะไม่ไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายแล้วความเจ็บของร่างกายจะรู้สึกว่าไม่มาสะเทือนใจไม่มาลบกวนใจเพราะใจไม่ได้ไปยุ่งกับความเจ็บไม่ได้ไปอยากให้ความเจ็บหายไปใจก็จะนิ่งใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้คำถามจากคุณจารวุวัฒการนมเนาให้เด็กๆวัยรุ่นตอนต้นฟังธรรมะต้องทาอย่างไรคะ พามาวัดบ่อยๆแต่ก็ฟังแบบไม่ตั้งใจค่ะก็เรื่องของเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องของที่เขายังไม่รู้คุณค่าของการฟังเทศฟังธรรมก็มันโน้มน้าวเข้าไปเรื่อยๆก่อนให้เขาได้อยู่ใกล้กับธรรมะก็แล้วกันแล้วต่อไปพอเขาโตขึ้นเขามีความคิดของเขาได้เขาเริ่มเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของธรรมะเขาก็จะเริ่มเข้าหาธรรมะเอง คำถามจากคุณโสราวิทย์เลี้ยงปลาตายแบบนี้บาปไหมครับการใช้สัตว์ทดลองทางการแพทย์หรือการเรียนการสอนบาปไหมครับถ้าเลี้ยงปลาโดยแล้วมันตายของมันเองไม่บาปแล้วถ้าเราเลี้ยงปลาทองปลาเงินปลาทองในตู้เราให้อาหารมันตามปกติแต่เมื่อถึงเวลาของมันที่จะตายมันตายโดยวาละของมันนี้ก็ไม่บาป แต่การจะเอาสัตว์มาทดลองแล้วทำให้เขาตายนี่บาปเพราะเรามีเจตนาคำถามจากคุณโอมิวันนามัสการค่ะอยากถามว่าถ้าเราแยกไม่ออกไม่แน่ใจว่าเราฝันหรือเรื่องจริงคือประมาณว่าเรายืนมองตัวเองหลับแล้วสะดุ้งรู้สึกตัวเป็นแบบนี้สามสี่ครั้งเลยไม่แน่ใจค่ะ ว่านี่คือจิตออกจากร่างใช่หรือเปล่าคะถ้ามีสติมันไม่ออกครับค่รู้เฉยๆถ้ารู้ว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วเรานิ่งไม่ไม่ไปทอะไรเราพูดโทต่อได้เราก็พูดโทรไปก็ทําต่อไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณเอเจการสร้างสติด้วยการะระลึกรู้ตลอดเวลาเท่าที่สามารถทำได้และทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นวาดรูป เขียนตัวหนังสืองานฝีมือสำหรับผู้ฝึกมาปันกลางสามารถทดแทนการนั่งสมาธิแบบหลับตาได้หรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกเพราะว่าตายังทำงานอยู่ตายังเห็นรูปอยู่ใจก็ยังมีความคิดกับรูปนั้นอยู่ยังทำงานอยู่ต้องปิดทวารทั้งห้าต้องไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเลใจจะได้เข้าไปข้างในได้เต็มที่ตยังออกมาข้างนอกออกมาทางตาอยู่ คำถามจากคุณฮอรี่กาบเรียนเขา อ, อุบายให้มีความเพียรในการปฏิบัติเพื่อมีให้ย่อหย่อนและท้อถอยเบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติภาวนาเจ้าค่ะหนึ่งเราก็ควรคิดว่าเวลาของการปฏิบัติของเรานี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะวันเวลามันก็จะผ่านไปทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ยัง้งและชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ เราควรที่จะรีบทํางานต่างๆเสียก่อนที่เวลาของเราจะหมดเนี่ยอันนี้อันหนึง่งแล้วคิดถึงคุณประโยชน์ของการที่จะได้รับจากการปฏิบัติว่าเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มันกดดันจิตใจสร้างความทุกข์สร้างทว า, ามทรมานให้กับเรามาอย่างต่อเนื่องนี้ถ้าเราหมั่นเพียประยะปฏิบัติไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันไม่ช้านี้เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน พระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนคำรับประกันของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเพียรปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่ไม่เกินเจ็ดปีถ้าไม่เจ็ดปีก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดวันถ้ามีความเพียรแล้วจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยคำถามจากคุณปราณเห็นพระที่เคยใส่บาตรใกล้บ้านแลกแกงถุงในบาตรเป็นเงินกับคนขายผิดวินัยสงหรือไม่ อันนี้ก็มันก็แล้วแต่ว่าใครเป็นคนทําถ้าคุาไปขอแรกนี่ก็ผิดแต่ถ้าโยมก็ขอแรกขอขอแกงไปแล้วก็ให้ปัจจัยแทนก็แต่ท่านพระก็รับไม่ได้ปัจจัยรับกับมือไม่ได้คําำถามจากคุณทีพระที่ท่านถือไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้หญิงแต่ต้องตัวในกรณีอาพาธ ถือเป็นการยึดในอัตรารูปสมมุติเพศหญิงชายหรือไม่คะไม่หรอกเป็นการยึดในพัทธรรมวินัยมีกฎข้อห้าไม่พระแตะเนื้อต้องตัวเพศตรงกันข้ามเพราะจะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นมาในใจคือไฟของการาการมาราคะการมาตันหาได้จะทำให้ผ้าร้อนจะทำให้เสกได้เป็นเป็นอันตรายต่อเพศของพระ ถึงไม่ควรที่จะให้พระไปให้เพศตรงกันข้ามมาตะเนื้อต้องตัวกันคำถามจากคุณขันติพงศ์ผมจะปวดที่ไหล่ขวาเวลาผมนั่งสมาธิถึงศีรษะและมันจะมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งได้นานจนถึงจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวผมพยายามแก้ไขแล้วไม่ได้ขอแนะนำแก้ปัญหาครับ ก็อยู่ที่ว่ามันเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าถ้ามันเป็นในขณะเวลาที่เรานั่งทําอะไรอย่างอื่นด้วยมันก็แสดงว่ามันเป็นความบกพร่องความบกพร่องของร่างกายก็ต้องไปหาแพทย์ให้เขาดูว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้านั่งสมาธิแล้ว เ, เป็นแต่นั่งดูหนังไม่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันหลอกเรามันหลอกให้เราเจ็บ เราก็นั่งไปทนเราอย่าไปสนใจพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะเหล๋ยใจไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะหายไปเองคําถามจากคุณสราวุธการพิจารณาเวทนาในสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรครับเวทนาก็คือให้เราพิจารณาเหมือนกับร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเนร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตาย เวทนาก็คือมันก็ต้องมีเจ็บบ้างมีไม่เจ็บบ้างมีสุขบ้างไม่สุขบ้างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่เจ็บนี่เราจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายเจ็บก็ปล่อยมันหายไปให้ดูเฉยๆแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพื่อนเป็นหมอรู้สึกผิดทุกครั้งที่คิดเงินคนไข้แต่ถ้าไม่คิดเงินให้องค์กรเอกชนให้ได้ตามมินิมัมการันตีก็จะมีความผิดกราบเรียนถามว่าเราควรคิดหรือมีแนวทางในการทำงานเพราะยังจำเป็นต้องทำงานเป็นหมออย่างไร อ, อ๋อก็เค้ว่างินนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นขององค์กร เรามาเป็นลูกจ้างขององค์กรเรามีหน้าที่ตามทําตามคําสั่งขององค์กรแล้วก็ทําไปคําถามจากคุณรักกี้อขอโอกาสหลวงพ่อครับถ้าเรามีกิจต้องทํางานกับพระถ้าเราขอโอกาสให้ท่านหยิบสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ด้วยความจําเป็นเราจะมีบาปไหมครับถือว่าเราใช้ท่านไหมครับอันนี้เป็นขอเป็นคําถามสุดท้ายนะ ไม่บาปหรอกถ้ามีการทํางานร่วมกันแล้วมีความจําเป็นที่จะต้องบอกกันว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พูดกับท่านดีๆพูดแบบผู้แบบแบบผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่ก็แล้วกันแต่อย่าถืออย่าพูดแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันพูดแบบเหมือนกับผู้ผู้ผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่ลูกพูดกับพ่อนักเส์พูดกับอาจารย์อย่างนี้ได้อยู่